ถ้าเรามาพักอย่างสถานที่บางแห่งใช่ไหมถ้าไปถือโดยสุภาพนิมิตอะไรจะเกิดขึ้นก็มีทัวร์บางทัวร์เอ่อพวกกลุ่มที่มาสังเวยเนีย์สถานบางกลุ่มก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมมาพักโรงแรมนี้ลงไปที่ไหนไม่ใช่กลุมล่มเรานะแต่ก็มีบางกลุ่มโดนเข้าแท็ก <c oughs> <c oughs> เข้าไปเต้นรําอยู่ในห้องเต้นรําของโรงแรมก็มี เนี่ยมาไหว้ทัวไหว้พระบางงันเดแไม่ต้องไปทัวเขากลุมอื่นบนั้นนะน ะ, นะอย่างนี้ก็มีอยู่ในโลกจะกล่าวไปยายถึงอย่างอื่นบางั้นของสถานที่ตรงนี้ข้อความในคุตการนิกายคาถาธรรมบทเรื่องอพุทธวัรณ น, นาเรื่องยะมะกะปาติหารกล่าวว่าหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเสด็จขึ้นไปประทับที่สวรรค์ชั้นดาวเดึงะนะที่แสดงยะมะกัปปาติหาร พ, พระศาสดาประทับนั่งท่ามกลางเทวดาบริษัทธทรงป ร, ร, ราลบผารดาเริ่มตั้งอภิธรรมปิดกว่ากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ก็แสดงอภิธรรมปีดอย่างนี้ไปเรืู้โปรนิบัติพระศาสดารรเวลาที่พระ อ, องค์ทรงแสดงธรรมอยู่เนี่ยถ้าถึงเวลาที่วันนี้เราพาสิทธธรรมมาบินทบาตพระ อ, องค์ก็จะเนรมิตพระพุทธเนรมิตด้วยอธิษฐานว่า พระพุทธเนรมิตนี้จงแสดงธรรมะชื่อนี้จนกว่าเราจะมาแล้วองค์ก็เสด็จไปป่าหิมพานต์เคี้ยวไม้สีฝันชื่อว น, นาคารดาบ้วนพระโอษฐ์ที่สานโนดานำบินธบาติมาจากอุตรากุรุทวีปประทับนั่งทำพัตกิจในโรงกว้างใหญ่แล้วท่านพระสารีบุตรเทระก็ทำวัดแด่พระาศาสดาในที่นั้นก็คือเข้าไปปรนิบัติพระาศาสดาทำพัฒกิจแล้วก็ตรัสแก่พระเทระว่าสารีบุตร วันนี้เราพาสิทธรรมะชื่อเท่านี้เธอจงบอกแก่ภิกษุห้าร้อยลูกศิษย์ของตนได้สรามมาว่ากุลบุตร500ร้อยเลื่อมใสในยมกะบปาฏิหารบวชแล้วในสำนักของพระเถระพระาศาสดาตรัสอย่างนั้นแล้วไม้เอาภิกษุเหล่านั้นพอตรัสเสร็จพระองค์ก็เสด็จไปสู่เทวโลกแสดงธรรมเองต่อจากที่พพระพุทธเนรมิแสดงแม้พระเถระก็ไปแสดงธรรมแกภิกษุเหล่านั้นนะลูกศิษย์้าร้อยองค์ ภาษาสดาก็สเสด็จอยู่ในเทวโลกนั่นแหละพิสูจทั้งห้าร้อรูปนั้นก็เป็นผู้ชำนาญในตะกอนทั้งเจ็ดคืออภิธรรมเจ็ดคำพีได้ยินว่าในการลาแห่งพระพุทธเจ้าพนามว่ากัสสะภิสูุเหล่านั้นเป็นค้างคาวหนูห้อยอยู่ที่เงื้อมแห่งหนึ่งเมื่อพะระเทเรสองรูปจงกรมแล้วก็ท่องอภิธรรมอยู่ได้ฟังถือเอานิมิตในเสียงแล้วค้างคาวเหล่านั้นก็ไม่รู้ว่าธรรมะเหล่านี้ชื่อว่าขัน ไม่รู้ว่านี้เป็นธาตุแต่ก็ด้วยเหตุสักว่าถือเอานิมิตในเสียงพระธรรมนั้นจุติจากชาตินั้นก็ไปเกิดในเทวโลกสวยที่ผสมบัติอยู่พุทธันร น, นึงจุติจากเทวโลกนั้นแล้วก็เกิดในเรือนแห่งตระกูลในกรุงสาวัตถีเกิดความเลื่อมใสในยมกะปาฏิหารบวชในสำนักของพระสารีบุตรเถระเป็นผู้ชำนาญตะกรทั้งเจ็ดก่อนกว่าผู้สู่ทั้งปวง แม้พระศาสดาก็แสดงอภิธรรมโดยทํานองนั่นแหละตลอดสามเดือนนั้นเวลาจบอภิธรรมตลอดสามเดือนในสวรรค์ชันดาวดึงการตรัสรู้อริยสัจ ท, ที่เรียกว่าธรรมมาพิสมัยเนี่ยนะคือตรัสรู้อริยสัจเนี่ยธรรมมาพิสมัยที่เป็นปริญญาพิสมัยปฐหานาพิสมัยสัจจิกาพิสมัยและภาวนาพิสมัยเนี่ยนะ การตรัสรุองบริษัทได้มีแกเทวดาแปดหมื่นกุเม้พระมหามายาก็ตั้งอยู่ในโสดาปฏิพัทีนี้พูดถึงบริษัทที่แสดงยมกะัตริย์ปฏิหารที่เมืองสาวัตถีเนี่ยนะมีบริษัทมาประชุมกันประมาณสามรูมีรูปปรากฏดุดได้กำมพลเหลืองที่ร้อยไว้ในแก้วมณีเทียว ขึ้นไปแล้วสู่ท่ามกลางเขาสิเนรุแม้พวกมนุษย์ก็แลเห็นท่านว่าขึ้นไปแล้วหนึ่งยอดสองยอดเป็นต้นพระเทระไปถวายบังคมพระยุคลาบาัะของพระศาสดาศาสดาแล้วจักไม่ไปคือได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงจะกลับถ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่กลับพระมหาโมคคลานะฟังถ้อยคาเหล่านั้นแล้วก็รับว่าดิษานุแล้วก็ดำลงในแผ่นดินตรงนั้นนั่นเองอธิฐานว่าบริษัทจงที่เรา เป็นผู้ไปถึงเชิงเขาซิเนรุแล้วขึ้นไปอยู่มีรูปปรากฏดุดได้กำพลเหลืองที่ร้อยไว้ในแก้วมณีเทียวขึ้นไปแล้วสู่ท่ามกลางเขาซิเนรุแม้พวกมนุษย์ก็เลเห็นท่านว่าขึ้นไปแล้วหนึ่งโยด์สองโยต์เป็นต้นพระเทระไปถวายบังคมพระยุคลบาทของพระศาสดาดุดเทรนไว้ด้วยเสียงกล้าวกราบทูลอย่างนี้ว่าพระเจ้าข้าบริษัทประสงค์จะเข้าเฝ้าพระองค์ก่อนแล้วจะไป พรองจะจะเสด็จลงเมื่อไรพระเจ้าข้าโมคขลานะก็สารีบุตรพี่ของเธออยู่ที่ไหนบอกว่าท่านภาษารีบุตรจำพรรษาอยู่ในสังกัสรนครนพองค์ก็บอกว่าโมคขลานะในวันที่เจ็ดแต่นี้ตาเราจะลงที่ประตูเมืองสังกัสะในวันมหาปรวรนาผู้ใครจะพบเราก็จงไปที่นั้นเถิดก็แลสังกัสรนครจากกรุงสาวัตถีมีประมาณสามสิบโยศ ในทางเท่านั้นกิจที่จะต้องเตรียมสเสบียงย่อมไม่มีแก่ใครๆเธอพึงบอกแก่คนเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้รักษาโบสดไปหลุดไปสู่วิหารใกล้เพื่อจะฟังธรรมเถิดพันถึงจากสาวถีที่เราเดินทางมาตั้ ง, งมเมื่อวานเนี่ยนะจนมาถึงวันนี้ก็คือให้เดินทางเหมือนกับไปวัดเป็นปกติหรือแหลธรโมลานะก็ทูลว่าดีแล้วพระเจ้าค่าก็ได้บอกรับตามรับสั่ง ศาสดาจําพรรษาปวารณาแล้วแต่บอกแต่เท้าสักกะว่ามหาบาพิษอาตมาภาพจะไปสู่ถิ่นมนุษย์เท้าสักกะก็เนรมิตบันไดสามชนิดคือบันไดทองคำหนึ่งบันไดแก้วมณีหนึ่งบันไดเงินหนึ่งเชิงบันไดเหล่านั้นตั้งอยู่ที่ประตูสังกัสรนครหัวบันไดเหล่านั้นตั้งอยู่ที่ยอดเขาสินีรุในบันไดเหล่านั้นบันไดทองได้มีข้างขวาทั่วพวกเทวดา บันไดเงินได้มีข้างซ้ายเพื่อท้ามหาพรหมทั้งหลายบันไดแก้วมณีได้มีในถ้ำกลางเพื่อพระตถาคตพระศาสดา พ, พระทับยืนอยู่บนยอดเขาสินิรุทํายะมะกกปาฏิหารในการที่ลงจากเทวโลกนะพระองค์นี้แสดงยะมะกกาปาฏิหารอีกเหมือนตอนขาขึ้นนะทรงแลดูข้างบนแล้วสถานที่อันพระ อ, องค์แลดูแล้วได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรหมโลก มนุษย์ในทังสถานที่อันพระองค์แลดูแล้วได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงเมื่อแลดูสิริของพระพุทธเจ้าในวันนั้นแล้วชื่อว่าไม่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้มีคือพอเห็นพุทธานุภาพอา่าทั้งทั้งองนั้นนะนะเทวทิศเฉียงทั้งหลายจักรวาลหลายแสนได้มีเนินเป็นอันเดียวกันเทวดาเห็นพวกมนุษย์แม้พวกมนุษย์ก็เห็นพวกเทวดา พวกเทวดาและพวกมนุษย์ทั้งหมดต่างเห็นกันและกันเฉพาะหน้าทีเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป่งพระชับธนรังสีมนุษย์ในบริษัทซึ่งมีปริมณฑลสามสิบหกยอดแม้คนหนึ่งเมื่อแลดูสิริของพระพุทธเจ้าในวันนั้นแล้วชื่อว่าไม่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้มี คือพอเห็นพุทธานุภาพทั้งมวลของพระ อ, องค์นั้นน่ะนะทุกคนก็กระยิมปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเช่นนั้นพวกเทวดาก็ลงทางบันไดทองพวกเท้ามหาพรหมก็ลงทางบันไดเงินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงบันไดแก้วมณีเทพบุตรนักฟ้อนชื่อว่าปัญจสิกะถือพินสีเหลืองหลุดผลมะตูมยืนอยู่นะส่วนข้างเบื้องขวาทําการบูชาด้วยการฟ้อนแด่พระาศาสดาลงมา มาตลิสังคาหกะเทพบุตร ย, ยืนอยู่หน้าข้างเบื้องซ้ายถือของหอมและระเบียบ ด, ดอกไม้อันเป็นทิพนมาสการอยู่ทำบูชาแล้วลงมาเท้ามหาพรหมกั้นสเสวตฉัตรเท้าสุยามถือพัดวาลวิชนีพระศ า, าสดาเสด็จลงพร้อมด้วยบริวานนี้หยุดประทับอยู่ที่ประตูสังกัสานครนแม่ภาษาฤาษีเทระมาถวายบังคมพระศาสดา พระศาสดาเสด็จลงด้วยพุทธริเห็นปานนี้อันท่านไม่เคยเห็นแล้วในการก่อนแต่นี้เพราะฉะนั้นท่านจึงประกาศความยินดีของต น, นนะด้วยคาถาที่ฟังคุณการตาอ่านให้ฟังบนรถเมื่อเช้าเนี่ว่าพระศาสดาผู้มีท้อยคำอันไพเราะทรงเป็นอาจารย์แห่งคณะ เสร็จลงจากดุสิ์มาอย่างนี้เรายังไม่เคยเห็นหรือไม่เคยได้ยินต่อใครในการก่อนแต่นี้อันให้แล้วก็พระ อ, องค์ก็ถามปัญหาท่านภาษาฤาษีบอกก็ถามปัญหาในสารีปุตตสุตะสูตรหรือสารีปุตตสุตานิเทศตอนท้ายหลังจากจบสูตรนั้นแล้วก็ท่านภาษาฤาษีบรทูลว่าพระเจ้าค่าวันนี้เทวดาและมนุษย์แม้ทั้งหมดย่อมกละยิมปรารถนาต่อพระ อ, องค์ ะทุกคนก็กระยิมื่อมใสมีใจจดจ่อในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัส ก, กับท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเชื่อว่าพระพุทธเจ้าผู้ประกอบพร้อมด้วยพระคุณเห็นตาห น, นี้ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยแท้นะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมอย่างนี้อธิบายว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเขาก็กระยิมกันอย่างคือด้วยลักคนูปนิสชานและอารัมมานูปนิสชาน ในฌานทั้งสิงอย่างเนี่ยนะทั้งฌานที่เป็นสมถะฌานที่เป็นวิปัสสนาปิเตซั่งปิหยันติด้วยมุทธาณังสติมะตังพระสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเป็นปราดขวนขวายในฌานยินดีแล้วในฌาายินดีแล้วในธรรมเป็นที่เข้าไปสงบด้วยสา ม, มารถแห่งการออกคือเนคขมะแม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ย่อมกระยิมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติอาทิตา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ขวนขวายด้วยฌานทั้งสองอย่างคือด้วยลัคนูปนิสฌานและอารัมมานูปนิสฌานในฌานทั้งสองอย่างเนี่ยนะทั้งฌานที่เป็นสมถะฌานที่เป็นวิปัสสนานั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ชํานาญด้วยการนึกชํานาญด้วยการเข้าชํานาญด้วยการอธิษฐานชํานาญด้วยการออกชํานาญด้วยการพิจารณาคำว่าเนคคัมมะเนี่ยนะพระ พ, พุทธเจ้าผู้ยินดีในฌานเนี่ยขวนขวายในฌานทั้งสองอย่างด้วยอํานาจรัศีห้า เนคข ม, มะนี้หมายเอาว่าพราะองค์นั้นยินดีแล้วในพระนิพพานพระองค์นี้นขวนขวายในฌานจิตของพระองค์ก็น้อมไปในเนคข ม, มะเนคข ม, มะในที่นี้หมายถึงพระนิพพานเพราะว่าพระนิพพานนั้นถือว่าเป็นธรรมที่เข้าไปสมบกิเลู พระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยคุณคือพระองค์ประกอบด้วยฌานชนะในวั ส, สีทั้งห้ามีจิตโอนเอ็นไปหาพระนิพพานหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ยิมคือปรารถนาต่อพระพุทธเจ้าคือเพราะว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าว่าน่าชมจริงหนอแม้เราก็พึงเป็นพระพุทธเจ้าดังนี้ชื่อว่ากรยิมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีคุณเห็นตานั้น ผู้ประกอบแล้วด้วยสติเนี่ยนะใจก็จดจอ่อน้อมคือเลื่อมใสพ่องใสใจก็โอนไปหาพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าว่าแม้เราก็พึงเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะในคาถาตรงนี้ส่วนสาระที่สำคัญที่อยากให้เรากำหนดจดจำเอาไว้ว่า ทั้งสมถะและวิปัสสนานั้นผู้ใดจะเจริญก็ต้องประกอบด้วยวสีทั้งห้าประการวาสีในสมถะวสีในวิปัสสนาวสีแปลว่าความชํานนญชํานนญในการเข้า ชำนาเออขอไปชำนาในการนึกชำนาในการเข้าชำนาในการดำรงมั่นชำนาในการออกแล้วก็ชำนาในการพิจรารณาผู้ที่ปฏิบัติได้ตามนั้นทั้งสมถะวิปัสนาด้วยวสีทั้งหประการเขาก็จับน้อมไปในพระนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งทุกได้คาถานี้เวลาจบการตรัสรู้อริยสัจคือธรรมจระเจียสถาน ก็เข้าใจว่าสถานที่ที่เรานั่งกันอยู่นี่แหละเรียกว่าอัจฉร ะ, ะเจติยาสถานเป็นสถานที่พระองค์ประทับพระบาทลงแล้วก็เป็นสถานที่ไม่หวั่นไหวเป็นสถานที่มั่นคงหลังจากนั้นพระศาสดาก็ประทับยืนที่นั้นตรัสถามปัญหาในวิสัยของปุถุชนเป็นต้นได้ยินว่าการทํมมายมกาปาฏิหาริย์แล้วจำพรรษาในเทวโลกแล้วเสด็จลงที่ประตูสังกัสรานครอันพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ทรงละเว้นแล้วแล ก็สถานที่พระบาทเบื้องขวาปริสถานณที่เสด็จลงนั้นมีนามว่าอัจฉติยสถานก็เข้าใจว่าสถานที่ที่เรานั่งกันอยู่นี่แหละเรียกว่าอัจฉริยสถานเป็นสถานที่พระองค์ประทับพระบาทลงแล้วก็เป็นสถานที่ไม่หวั่นไหวเป็นสถานที่มั่นคงหลังจากนั้นพระาศาสดาก็ประทับยืนที่นั้นตรัสถามปัญหาในวิสัยของปุถุชนเป็นต้นพวกปุถุชนก็แก้ปัญหาในวิสัยของตนเท่านั้นไม่สามารถแก้ปัญหา ในวิสัยของพระโสดาบันได้ night. พระอริยะบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้นก็เหมือนกันไม่สา ม, มารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของบุคคลทั้งหลายมีพระสกัดภาค า, ามีเป็นต้นคือบุคคลชั้นล่างไม่สา ม, มารถที่จะอธิบายปัญหาของบุคคลชั้นสูงได้พระมหาสาวกที่เหลือไม่สา ม, มารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระมหาโมคลานะพระมหาโมคลานะก็ไม่สา ม, มารถจะ แก้ปัญหาในวิสัยของภาษาราบุตรเทระได้แม้ภาษาราบุตรเถระก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันภะษาสดาทรงแลดูทิศทั้งตัวงตั้งต้นแต่ทิศตะวันออกเนี่ยนะสถานที่ทั้งตัวงก็มีเนินเป็นอันเดียวกันเทวดาและมนุษย์ในแต่ทิศและเทวดาเบื้องบนจดพรมโลกและ ยักษ์นาคและสุบรันผู้อยู่ณภาพพื้นเบื้องต่ําประคองอัญชลีกราบทูลว่าพระเจ้าค่าขึ้นชื่อว่าผู้วิสัชนาปัญหานี้ไม่ได้มีในสมาคมนี้ขอโพ อ, องโปรดไข้ครัควรในสมาคมนี้ทีเดียวคือปัญหาใดที่พระ อ, องค์ถามในวิสัยของพระพุทธเจ้าไม่สามารถมีผู้ใดวิสัชนาปัญหาเหล่านั้นได้ ภาษาสดาดำเล่วว่าภาษารีบุตรย่อมลำบากด้วยว่าเธอได้ฟังปัญหาที่เราถามในพุทธวิสัยว่าดูก่อนท่านผู้นิรทุกุคผู้มีปัญญารักษาตนอันเราถามถึงความเป็นไปของท่านผู้มีธรรมอันนับพร้อมทั้งหลายแลว้วคือผู้ขันเป็นต้นก็อาจจับถืออวัถยาศัยของภาษาสดาได้คือไม่รู้ว่าพองจะให้อธิบายเป็นขันเป็นธาตหรือว่าเป็นอายตนะ เพราะฉะนั้นพระสารีบุตรนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ให้ในก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้พระองค์เสขะคือพระอรารยบุคคลทั้งหลายถามถึงข้อปฏิบัติของพระอาหารทั้งหลายแต่พระสารีบุตรก็ยังไม่รู้อัธยาสายว่าถ้าหากว่าจะตอบปัญหานี้ตอบด้วยวิสัยอะไระนะเมื่อเราเกล่าว ถึงอย่างนั้นก็ยังหวังอัธยาศัยของเราอยู่ว่าเมื่อเรากล่าวปฏิปทาด้วยมุกไหนๆว่าธรรมทั้งหลายมีขันเป็นต้นก็อาจจักถือเอาอัธยาศัยของภศาษศาสดาได้คือไม่รู้ว่าพระองค์จะให้อธิบายเป็นขันเป็นธาตุหรือว่าเป็นอายตนะเพราะฉะนั้นภาษาริบุตรนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ให้ในายก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้พระองค์ก็เลยให้ในแก่ภาษาริบุตรว่าภูตามีดังเนี่ยนะเธอเห็นพูดหรือเธอพิจารณาเห็นพูดอยู่หรือ พูดพูดในที่นี้เป็นชื่อของขันห้านะพูดแต่ไม่ดังเนี่ยนะพูดนั้นเป็นชื่อของขันห้าอั น, นะเช่น ว, ว่าเธอเห็นด้วยความเป็นพูดหรือคือเธอเห็นตามความเป็นจินตขันสังค์คือพิจารณาทุกอย่างโดยความเป็นขันห้าหรือขันห้าเกิดเพราะอาหารเกิดหรือขันห้าดับเพราะอาหารดับหรือถ้าอย่างนี้ภาษาดูบุตรตอบได้หมดเลยนันะคือหมายถึงเอาขันห้าว่าอย่างเช่น ว, ว่าเธอพิจารณาเห็นพูดหรือพูดเกิดเพราะอาหารเกิดหรือ หรือว่าพูดจะดับเพราะอาหารอันดับหรือถ้าอย่างนี้เราฟังเลยเข้าใจเลยใช่ไหมคําว่าพูดคืออะไรก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพูดเกิดเพราะอาหารเกิดใช่ไหยใช่รูปประคันเกิดเพราะกับพลิงกระหารเกิดใช่ไ้ยใช่ สเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเกิดเพราะวิญญาณอาหารเกิดใช่ไหมใช่วิญญาณขันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะนามรูปเกิดใช่ไหมถ้าฟังอย่างนี้ก็เข้าใจเลยถ้าหากว่ากับพลิงกระหานภาษาหานเป็นต้นดับขันท่าเป็นดับใช่ไหมใช่ภาษารีบก็ตอบรู้อัธยาศัยของพระพุทธเจ้าก็เลยวิสาชนะด้วยปัจจา ม, มาตแห่งขันปัญหานั้นก็ปรากฏแก่พระเทรัเป็นร้อยในพันในพร้พรอมกับประธานใน แ่าท่นตั้งอยู่ในในัยยะที่พระศาสดาประทานแก้ปัญหานั้นได้แล้วได้ยินว่าคนอื่นยกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียชื่อว่าสามารถเพื่อจะทันปัญญาของพระสารีบุตรเทราหาไม่ได้นัยยะว่าเหตุนั้นแหละพระเถระจึงยืนตรงต่อพระพักพระศาสดาบรรลืสีรนาฏว่าพระเจ้าค่าเมื่อฝนตก แม้ตลอดกลับทั้งซึ่งค่าพระองค์ก็สามารถเพื่อจะนับแล้วยกขึ้นซึ่งคะแนนว่าหยาดน้ําทั้งหลายตกในมหาสมุทรเท่านี้หยดนะคือฝนตกทั่วจักราวาลตลอดกลับเนี่ยนะคำนวณได้เลยว่าตกในทะเลกี่หยดตกในแผ่นดินเท่านี้หยดตกในภูเขาเท่านี้หยดก็าตอบได้หมดเลยแม้พระาศาสดาก็ตรัสว่าสารีบุตรเราก็ทราบความที่เธอสามารถจะนับได้ เชื่อว่าข้ออุปมาเปรียดเที่ยวด้วยปัญญาของภาษาฤาษีบทเหล่านั้นถ้าพร่องแก้ปัญหาร้อยในหรือพันในหรือว่าทรายในแม่น้ํำคงคาพึงเสี้ย ง, งหลายมีทรายเป็นต้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งม้ส่วนข้างหนึ่งในแม่น้ํำคงคาคะแนนทั้งหลายคือเครื่องนับมีทรายเป็นต้นในแม่น้ํำคงคาก็พึงก็พึงถึงความสิ้นเร็วแต่มีปัญญามากมายขนาดนั้น อธิบายว่าข่าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของโลกก็ถ้าว่าเมื่อข่าพระองค์แก้ปัญหาข้อหนึ่งแล้วบุคคลพึงใส่สายเม็ดหนึ่งหรือหยาดน้ำหยาบหนึ่งหรือดินร่วนก้อนหนึ่งเมื่อข่าพระองค์แก้ปัญหาร้อยในหรือพันในหรือแสนข้อเนี่ยนะก็จะพึงใส่คะแนนทั้งหลายมีสายเป็นต้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งน้าส่วนข้างหนึ่งในแม่น้ำคงคาคะแนนทั้งหลายคือเครื่องนับมีสายเป็นต้น ในแม่น้ำคงคาก็พึงก็พึงถึงความสิ้นเร็วไปกว่าการแก้ปัญหาของข้าพระองค์ย่อมไม่สิ้นพระองค์ก็บอกว่าทิกษุแม้มีปัญญาอย่างนี้ก็ยังไม่เห็นเงื่อนต้นเงื่อนปลายแห่งตัญหาที่พระศาสดาถามในพุทธวิสัยนะแต่ภาษาริบุนั้นจะต้องอยู่ในนัยยะที่ ภาษาสดาประทานให้แล้วท่านจึงจะสามารถตอบได้เพราะฉะนั้นในบรรดาผู้ที่สูงเลิศที่สุดบริบูรณ์ด้วยปัญญาสมบูรณ์ด้วยปัญญามีปัญญาอันกว้างขวางหาที่สุดไม่ได้ไม่มีผู้ใดจะสามารถเท่ากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะกล่าวไปเลยปัญหาของพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นสุขาวิตาีตัดศกก็เหมือนกับแสงหิ่งห้อยปัญญาของพระ เคราทั่วไปที่ได้วิชาสามเป็นต้นก็เหมือนแสงประทีปที่อยู่ต่อหน้าเราปัญญาของพร ะ, ะสารีบุตรก็เหมือนกองไฟกองตโอๆปัญญาของพระประเจกพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับ ดวงอาทิตย์ออขออภัยดวงจันทร์ดวงจันทรเทนปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงวันอันะส า, ม, ม, า, สา ม, มารถที่จะจัดสามารถที่จะรับรู้ทั้งหมดนั้นผู้ใดจะมีพันเท่าเมื่อพระ อ, องค์เนี่ยบัมพลาสัมพุทธเจ้าไม่มีอนนันในบรรดามวลสัตว์เลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลือที่สุดด้วยพระปัญญา ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังมีพระมหากรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อย่างที่เหตุผลถามว่าทําไมพระองค์ลงจากสวรรค์ดาวดึงจึงมาลงที่เมืองสังกัสร์เพราะว่าถ้าลงที่เมืองสังกัสร น, นี้มีการบรรลุท่าไหมครับ ะนะบนบรรลุ30โกดก็น่าสนใจนะถ้าไปไปลงที่อื่นจะบรรลุไหมสามสิโกดพรองค์บำเพ็ญบารมีทั้งหมดเพื่อให้หมู่สัตว์ทั้งหลายตรัสรู้มันพะเมื่อพระ อ, องค์เนี่ยบำเพ็ญกิจเพื่อการตรัสรู้ของสัตว์ทั้งหลายที่ใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแกม่มวลทเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ก็จะไปที่นั่นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตรรพสัตว์ทั้งหลายได้นับถือพระธรรมคําสอนเป็นพระธรรมที่นําออกจากลัภทุกข์แล้วก็ยินดีเคารพคารวะบูชา ชาในหมู่พระราญยสองทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยศีลผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาเช่นพระสารีบุตรเป็นต้นประโยชน์เหล่านี้เข้าไปให้เขาอะไรก็ตามถ้าจะเป็นไปเพื่อทุกเพื่อโทษเป็นไปเพื่อประกอบไม่ประกอบด้วยประโยชน์พระองค์ก็จะกําจัดสิ่งเหล่านั้นออกไป เราทั้งหลายก็เชื่อว่าได้ดีแล้วที่ได้นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ผู้แสดงหาประโยชน์เพื่อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้นับถือพระธรรมคําสอนเป็นพระธรรมที่นําออกจากวัตทุกข์แล้วก็ยินดีเคารพคารวะบูชาในหมู่พระรอริยสงฆ์ทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยศีลผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาเช่นพระสารีบุตรเป็นต้น ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีทางกายวาจาและใจเป็นผู้ปฏิบัติตรงทางกายวาจาและใจกายวาจาใจของท่านน้อมไปเพืทดแทงตลอดมรรคผลนิพพานท่านเป็นผู้ควรแก่การเคารพสักการะเป็นต้นอันดัก็มาสวดสรรเสริญพระพระพุทธคุณ พ, พระธรรมคุณพระสังฆคุณแบบสวดมนต์ธรรมวัชเช้าอิติติโสแล้วก็สวดพระที่ทรเจ็ดคันภีจะได้สมควรแก่เวลาจนพร อรหังสัมมาสัมพุทโธาควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเล็เพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรูชอบได้โดยพระองค์เองโทตังพระควันตังอะภิวาเตมิ ข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผูเตือนผู้เบิกบานสราคาโตภะควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระพภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมงนมาสัมมิข้าพระเจ้านามาสการพระธรรม สุปติบาลนอพระขวะโตสาวะกะังโตพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างทังนามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์นโมตาัสสาพระขาวโต อะระหโต o ส so, ัมมาสัมปุทัสะติงกโรมาเซโยโสอะคาโตพระตถาคเจ้านั้นพระองค์ใดอะระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมปุทโวพระองค์นั้นอะระหโต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสามมาสามโพธทธัตปราสรูชอบได้โดยพระองค์เองหันธรรมยังผู้ทาพิถูติงกโรมาเซโยโซตัทาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดหารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลส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 านุตโรปุริสธรรมมสาระิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเดวมนุซานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมวทโตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม พาควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตยอยมางโล ก, กังสเดวกังสามารกังสับรมะมกังสัสาสามนัพรมามณิงประชังสเดวามนุสังสยังอภินยาัตวาปเวเดสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทังเทวดามาพรหมและหมูสัตว์พร้อมทางสมณะพรามพร้อมทังเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโวธรร ม, มังเดเซสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้ว อาดิการยานังไผร้อในเบื้องตน้นมาเชกกรยานังไผร้อในถ้ำกลางปาริโยซาณการยานังไผร้อในที่สุดสาทาังสัพพยัญชนงเกวลาปริปุนาพระองค์นั้นด้วยเสียนกลา้าหั่นธรรมยังธรรมาพิธุติงคโรมาเซ โยโซสวะฆาโตุปะขวตาธรรมธาพรามทางอาธรรมะตามหังภะขวานตังภิปูเชยามี้าปเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภะขวานตังศิราซาณามี้าปเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้า ท่านธรรมยังธรรมาภิทุติงกรโรโมาเซยโซสสาวค่าโตะควาตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสานเทติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโก เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรถล่าผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดอปาณิโก oh, เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว oh. ปจัจจตังเวทตาโบวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน แต่มังทำมังอาภิปูชิยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนันม้นแต่มังธำมังศิียรซานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียนกล้าหันธรรมยังสร้างคาพิทุติงกโรมาเซยอโซสุปาติปันโนพระขวโตสาวาสังโค พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุวชฌ ป, ปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสรังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสรังโค พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสราบมีจิตปฏิปันโนภะควะโตสาวกกระซึงโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้เป็นสองโคหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยาดิดังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ จาตาริปุริสายุคานิอาธาปุริสปุขลาู่แห่งบุรุษสีู่่นาเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอาสาพระขะวโตซาวะกะสังโคนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนยโยเป็นสงควรแกสการะที่เขานำมาบูชาปาหุนยโย เป็นสงควรแกสขาราที่เขาชัดไว้ต้อนรับดาินยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัณชลีการณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำมัญชลีอนุตตรังปุญญขตังโลกาสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามังสังคังอภิปูชยามี ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งจะพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามาสร้างขังเสียรซ า, านา ม, ามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเศียรข้าเบิดเล่มเล็กนะหน้ายี่สิบกุสลาธรรมะกุสลธรรมะพยาตาธรรมะ ตเมิตาโากขารายาสัิงสัยมาโจารังโมสรังเจตังอุปนังโหติโสมนัสสัขารังยานสัมปายุตังรูป ราแมนังวาสนาราแมนังวาหันธาราแมนังวารารา a มนังวาโ t ตภะราแมนังวาธามารามนังวาญาญาวาปัญญาปัสสัมิสสมายพัสโซโหเดีววิเขโพ เยาวาปนตาสมิงสัมยเยอันเยปิอาทิตปฏิจสมุปปนาารูปิโนธรรมอิเมธรรมกุ a ะลา ตันจักขันโารูปักขันโทเวเดวันโทสัญญาขันโทสังขารวาติสังคีริอาวางวุจเตโอปัขันโท สังเกอสัปังอาทิตตนาคตาปัจจุบันนังอัจฉริยังวะพิตาวาโอฬารังวาสุขุมังวาหินังวาวานิตังวายังดุเร เอวัติวถะหงช่างอภิสัอยู่ทวาอภิสังริายัวจอุปคันธ สังขโหอะสังขโหสังขหิเตนะสังขหิตังอาสังขหิเตนะสังขหิตังสังขหิเตนะสังขหิตังอะสังคหิเตนะสังขหิตังสามปโยโคเวปโยโคสามปโยเตนะเวปโยตังเวปโยเตนะสามปโย ตังอาสังขหิต so ังชาปัญญาติโยหันธาัญญาติภะยตนาัญญาติปะตุปัญญาติสัจปัญญาติอินริยปัญญาติปุกัลลปัญญาติเกิตัวตัปุกัลานังปุกัลลปัญญาติสมัยวิมุตโต อาสัมมาญาวิโมโตตุคูปัมโมอาค นธรมโมปริหานธรมโมฮาปริหานธรมโมเจตนาปัปะอนุราคะนัปุโนโคตารยุปาราโตอภายปาราโตภาภะขามโนอภตตภะโนนิยัตโตอนิยัตโตปติปันโนภเลพิโต อราห์อาราหตายาปาิปันโอ โอคัลโลโอภาภเทสัชิกาธาปรมาเทนัติอมันตาโยสัชิกาโทปรมาโทนัโสปคโลโอภภทสัชิกาธามารามาเทนตินเวังวะวปนกุสน อินิกขังหันจิบุขัลโลภะลาภัสสัชกาธาปะรัมมัตินาตินาวตาหิววะต้เปโยสัชกาโตปะรมมัตโตตโตโสขัลโลภะลาภัสสัชกาธาปะรัมมัตินาติมิชา เยเกชกุสะลาธัมมัสับเดเทกุสะลาโมลาเยวาปะนักุสะลาโมลาสับเดทธัมมะกุสะลา จิกุสัลตัมมาสัปิจิกุสลมูลนะเอกมูลเจวปนกุลมูลเอกมูลสัตัมมากุลา เทตุปัจจายोระมะนะปัจจายอธิปัติปัจจายोนันตรปจจยสมานันตรปจจยสหัสถปัจจายอัญามัญญปจจายโยเยปจจโยภปยญาปจจโยปุรชาตปัจจโยปาชาตปัจจโย อาศวานปาจัยโยขมาปาจัยโยวปากปาจัยอาหารปาจัยอินริยาปาจัยโชาณปาจัยโยมาขปาจัยสัมปยุตปาจัยโยเวปยุตปาจัยอัติปาจัยโยนาติปาจัยเวปตปาจัยอะวิคต อาปะชโยพุทังสารนังฆาชามิธรมมสารนังฆาชามิสังฆสารนังฆชามินติยัมปีพุทังสารนังฆชามิโนติยัมปีธรรมสารนังฆชามิติยัมปีสังฆสารนังฆชามิ ตาติยมเิผู้ทางสารนังคาชามีตาตยยมติธรรมังสารนังคาชามีตาติยมติสังขังสารยามีเวตานาติตาตาเวธรรมะดังสมะทียามีอาเมอารินาเทโสกัสละมาลาคันท์สมาทียามี อบรัมาะริยาเวรามนีสิกขาปังสมาทิามีมงสาวาดาเวรามนีสิกขาปังสมาธิามีสุรามรยามัชฌาปะนิขานาเวรามนีสิกขาปังสมาทิามีเวคาลาปโนาเวรามนีสิกขาปังสมาธิามี นาจาคิตาวาทิตาวิสุขาธาสนามาลาคันธาวิเลปนาธารนามณนาวิภูสนาธานาเวรมนีสิฆาปังสมาทิยามิ่อจาสยนามหาสยนาเวรมนีสิฆาปังสมะทิยามิ่อพาะเนียธาสิฆาปันเนสมาทิยามิ เอามาเนียถาศิฆาปะรานิสมาธิยามีอามาิาปานิสมาธิยาม ด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีพี่ข้าพเจ้าทั้งหลายพี่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ล่วงเกินพระรัตนตรัยได้ล่วงเกินพระรัตนตรัยขอพระรัตนตรัยขอพระรัตนตรัยจงงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นนั้นจงอดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นนั้นเพื่อการสังวรสำรวมระวังในการต่อไปเพื่อการสังวรสำรวมระวังในการต่อไป ข้าพเจ้าขอทิศส่วนบุญสวนกุศลขราพเจ้าขอทิศสวนบุญสวนกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งหมดนี้ที่ได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งหมดนี้ให้แก่บุพการีให้แก่บุพการีมีบิดามารดาเป็นต้นมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดจนเทพยดาและอมนุษย์ทั้งหลายตลอดจนเทพพยดาและอมนุษย์ทั้งหลายขอจองมีจิตสมานะยินดีขอจองมีจิตสออมาัะยออนิยนดีร่วมอนุมโมทนาด้วยการร่วมอนุโมทนาด้วยกันและด้วยผลแห่งกุศลทั้ง หลายเหล่านี้ด้วยผลของกุศลทั้งหลายเหล่านี้ขอจงเป็นอุปนิสัยปัจจัยขอจงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญงอกงามในพระศาสนาของพระศาสดาเจริญงอกงามในพระศาสนาของพระศาสดาอบรมไตรายศีขาอบรมตรายศีขาชํานาญในการนึกถึงไตรสิกีขาชานาญในการนึกถึงไตรสิกีขาชํานาญในการพิจารณาไตรายศีขาชานาญในการพิจารณาไตรายกีขา อ่อ uh